ที่สารแพ่งชนบุรีเพราะเข้าใจผิดก็คือว่าจะเข้าใจว่าจิตเนี่ยมันต้องนิ่งเวลานับนองสมาธิเราต้องทําใจให้นิ่งตรงนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดพุทธเจ้าตัดว่าจิตเราเนี่ยมีสองสถานะจิตหรือใจก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละจิตหรือใจหรือวิญญาณหรือมโนโก็เรื่อนเดียวกันจิตหรือใจหรือมโนโหรือวิญญาณนั้มีสองสถานะอีกสถานะหนึ่งทหน้าที่ที่ปรุงแต่งเกี่ยวคิดนึกตึกจองปรุงแต่งค้นเหตุค้นผล ลองความเข้าใจในเรื่องต่างๆทั้งโลกทั้งธรรมนี่เป็นสถานะฝ่ายที่คิดนึกตึกจองปุงแต่งไปหรือว่าเป็นสถานะฝ่ายที่แสดงอาการหรือสถานะที่ก็เรียกว่าเป็นผู้แสดงเป็นผู้แสดงสตริยาซึ่นคือจิตสถานะหนึ่งส่วนจิตอีกสถานะหนึ่งเนี่ยว่ามีสถานะเป็นผู้ที่มารู้จิตทิศกําลังแสดงอยู่หรือลุงปูเ่เทศเทศหลังสีก็เห็นหมากแป้ง เพื่ออธิบายใช้ในการอธิบายในการสุขจิตความจริงจิตกระจหรือโมโนหรือวิญญาณก็เสียเดียวกันแต่เพื่อให้เกิดความเขา้าใจในการอธิบายท่านก็กล่าวว่าจิตที่ทําหน้าที่แสดงมีความรู้สึกต่างๆรู้สึกเป็นสุขรู้สึกเป็นทุกข์รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์รู้สึกเป็นกลาง จำหน้าที่เป็นสัญญาจำนั้นจำนี้ขึ้นมาทำหน้าที่เป็นสังขารคิดนิสิตองปรุงแต่งทำหนาที่มีอารมณ์ต่างๆราคาโศสาวโมหะหูจิตทุงตรดลาการใจเบื่อเต็กุ้มวิตกกลางบนต่อมองต่างๆของสายไม่ของสยอันนั้นเรียกว่าจิตทั้งหมดจิตคือผู้ที่ มีปฏิกิยาเกิดดับได้เปลี่ยนแปลงได้ไว้ตัวได้กระเพิ่มได้แสดงปรากฏการต่างๆให้รับรู้ให้รับความรู้สึกได้สามารถเอาอาการของจิตนั้นปฏิกิยาของจิตพฤติแห่งจิตนั้นมาเล่าบอกฟังฟังได้ว่ามีอาการลักษณะอย่างไรคิดอย่างไรมีอารมณ์อย่างไรมีรู้สึกอย่างไรมีลาภมีโทสะมีโมหะมีหงุดหงิดมีฟุ้งซ่านมีลำคาญใจมีเบื่อมีเสียงมีกุ้มมีท้อแท้มีหดอูมี ฝองใส่มีเจ้าหมองสามารถเอาอาการนั้นจิตแล้วจิตนั้นมาบอกกันได้เป็นจิตทั้งหมดสิ่งใดที่เอาอาการนั้นมาบอกผู้อื่นได้เป็นจิตทั้งหมดส่วนใจนั้นทําหน้าที่รู้จิตแล้วเอามาบอกผูอื่นก็ได้ใจนั้นทําหน้าที่รู้จิตใจไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีที่อยู่ไม่แสดงการเกิดไม่แสดงการกระเพื่อไม่แสดงการไหวตัว เพราะถ้าสิ่งใดแสดงการกระเพื่อมการไหวตัวแสดงการเกิดดับหรือมีรูปร่างหรือมีลักษณะต่างๆให้ปรากฏเป็นจิตทั้งหมดส่วนใจนั้นทําหน้าที่รู้รู้จิตนั้นที่แสดงสติปัญญาแสดงอาการแสดงพฤติกรรมอย่างนั้นโดยที่ตัวของใจนี้ไม่เคยมีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีที่อยู่ไม่เคยปรากฏตัวตนไม่ปรากฏการเกิดดับไม่ปรากฏการไหวตัวใดๆทั้งสิ้นรู้แต่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีที่อยู่ไม่มีอะไรเลย แต่รู้สิ่งที่รู้จิตที่เคลื่อนไหวที่พุงแต่งที่คิดที่นิสิติตรองที่ที่กระเพื่อมที่ไหวตัวที่เกิดดับได้ที่ไม่เที่ยงใจเรียกว่าผู้รู้หรือผู้รู้เนี่ยคือใจมารู้จิตดูจิตเหมือนดูหนังดูละครดูจิตทิตเคลื่อนไหวเหมือนดูหนังดูละคร ให้ดูจิตแสดงพฤติแสดงปฏิกิริยาแสดงอาการต่างๆดูจิตตีเคลื่อนไหวเหมือนดูหนังดูละครอย่าเอาใจเข้าไปร่วมเล่นในเปียงเป็นเพียงผู้ดูอย่าเข้าไปเป็นผู้แสดงอย่าเข้าไปเป็นผู้กำกับว่าแสดงอย่างนั้นต้องแสดงอย่างนี้แสดงอย่างนี้สิทําไมไม่แสดงอย่างนี้ทำไมไม่แสดงอาการเบาๆปร่งๆโล่งๆว่างๆอย่าแสดงอาการทึบๆ เพราะว่าต้องใจต้องมาดูรู้เห็นอยู่ในใจที่เป็นกลางจริงๆต้องเที่ยงธรรมจริงๆไม่เข้าไปยุ่งวุ่นวายกับจิตที่กำลังแสดงปฏิกิริยาแสดงอาการแสดงพฤติกรรมที่ในปัจจุบันปรากฏขึ้นในปัจจุบันนั้นๆตามความเป็นจริงทุกขณะปัจจุบันเขาแสดงอย่างไรขึ้นมาก็แสดงตามความเป็นจริงอย่างนั้นทุกขณะปัจจุบันส่วนใจนั้นมีหน้าที่รู้ รูจิตนั้นอยู่ที่เฉยดูอยู่ที่เฉยสัตว์ตาว์ดูสัตว์ตาวรู้อยู่ที่เฉยไม่เข้าไปยุ่งวุ่นวายกับจิตนั้นจิตจะเบาจะว่างจะโล่งจะหนักจะทึบจะตื้อจะปรงแต่งจะดิดน้นรนจะค้นหาจะเอะจะลังเลจะสงสัยอย่างไรเป็นจิตทั้งหมดซึ่งถูกรู้โดยใจหรือถูกรู้โดยผู้รู้เพราะผู้รู้นั่นแหละคือใจหรือใจนั่นแหละคือผู้รู้ให้รู้อยู่เปล่าๆับแปลว่ารู้เมื่อใดใจไม่ไปจิตจิต ซึ่งแสดงปฏิกิยาซึ่งแสดงอาการต่างๆไม่เข้าไปพอใจไม่เข้าไปไม่พอใจไม่เข้าไปอยากหรือไม่อยากไม่เข้าไปยินดีหรือเข้าไม่เข้าไปยินร้ายต่อสิ่งใดๆอย่างใดโดยให้สักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้อยู่เฉยเมื่อนั้นใจนั้นเองก็เป็นใจเดียวกับพระพุทธเจ้าเป็นใจเดียวกับพระปฏิเจ้าเป็นใจเดียวกับพระธรรมเป็นใจเดียวกับพระอรหันต์เพราะ รู้เปล่านั่นเองเป็นวิมุตติรู้ปอปล่านั่นเองเป็นการปฏิบัติไม่ถึงสึ้นพันิพานท่านจิงล่ า, กกา ว, ว่าผู้รู้นั่นเองคือพระพุทธผู้รู้นั่นเองคือพระธรรมผู้รู้นั่นเองคือพระอารรัตน์ทำทั้งหลายไม่ได้อยู่ที่ใดเลยอยู่ที่ใจผู้รู้นั่นเองเมื่อไรที่รู้สัแต่ว่ารู้ หรือรู้อยู่เปล่าๆนั่นแหละก็จะถึงซึ่งวิมุตต์หรือถึงธรรมโดยอัตโนมัติหรือหลวงปู่ดูลย์ุโลได้กล่าวว่าสิ่งใดที่ถูกรู้ได้สิ่งนั้นเป็นโลกสิ่งใดที่ไม่อาจถูกรู้ได้สิ่งนั้นเป็นธรรมหรือสิ่งใดที่ ถูกรับรู้ได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันสิ่งนั้นเป็นโลกเสียทั้งหมดสิ่งใดที่ไม่อาจถูกรับรู้ได้สิ่งนั้นเป็นธรรมรู้โลกไม่ติดโลกรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเสียงสีธรรมมรู้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในการในใจแล้วไม่เข้าไปติดสิ่งนั้น คำว่าไม่เข้าไปจิตคือไม่เข้าไปยินดีไม่เข้าไปยินร้ายไม่เข้าไปพอใจไม่เข้าไปไม่พอใจไม่เข้าไปอยากหรือไม่อยากอย่างไรต่อสิ่งเหล่านั้นต่อสิ่งที่ถูกรู้เหล่านั้นก็จะเป็นธรรมโดยอัตโนมัติธรรมจึงไม่ต้องแสวงหาไปเพราะไม่อาจแสวงหาได้เพราะธรรมนั้นไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีที่อยู่ไม่อาจจะรู้ได้โดยอายจารณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงไม่อาจจะถึงธรรมได้โดยการคิดนึกติดตอมปุงแต่งดิ้นรนค้นหาไป เพราะไม่อาจจะรับรู้ได้ทางอายตนะจึงไม่อาจจะถึงทำได้ในการคิดนึกติดตามปรงแต่งไปให้พบทำจะพบทำได้ต้องรับรู้ทางตาหูจมูกจินกายใจแล้วไม่เข้าไปพอใจไม่เข้าไปไม่พอใจไม่เข้าไปยินดีไม่เข้าไปยิน้ายไม่เข้าไปอยากหรือไม่อยากอย่างไรต่อสิ่งที่สูกรับรู้นั้นก็จะเป็นทำโดยอัตโนมัติทำนั้นจึงไม่ต้องแผลงหาไป เพราะไม่อาจจะถูกลับรู้ได้แต่จะถึงทําได้โดยการรู้สิ่งใดแล้วไม่ติดสิ่งนั้นทั้งหมดจึงจะเป็นธรรมโดยอัตโนมัตินี่เป็นคำกล่าวที่ชัดเจนมากผู้รู้ที่ไม่ติดสิ่งใดนั่นเองจึงเป็นผู้รู้ที่เป็นธรรมอันเดียวกับพระพุทธเจ้าเป็นธรรมเดียวกับพระธรรมเป็นธรรมอันเดียวกับพระอริยสงฆ์พระพุทธเจ้าหรือพระอารหันต์ทั้งหมดสมเร็จ เป็นพุทธเจ้าสําเร็จพระอรหันต์เพียงแค่สิ้นความยินดีสิ้นความยินร้ายหรือสิ้นความพอใจหรือสิ้นความไม่พอใจไม่ขณะปัจจุบันนั้นๆทุกขณะปัจจุบันคือไม่เข้าไปพอใจไม่พอใจไม่เข้าไปยินดีไม่เข้าไปยินร้ายต่อรูปต่อเสียงต่อกินต่อรสต่อสัมผัสต่อทำอารมณ์คือสิ่งที่รับรู้ได้ทางใจคือความรู้สึกความนึกความคิดอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะ ความรู้สึกหรืออารมณ์เหล่านั้นจะถูกใจหรือไม่ถูกใจจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แต่ถ้าเรารู้สิ่งนั้นอยู่เปล่าๆแต่ว่ารู้ก็จะเป็นธรรมโดยอัตโนมัติถ้ารู้สิ่งใดแล้วเข้าไปพอใจไม่พอใจเข้าไปยินดีเข้าไปเย็นร้ายก็ไปอยากหรือไม่อยากอย่างไรต่อสิ่งเหล่านั้นให้รีบละเสียให้รู้ทัทนไวๆแล้วละเสียให้เร็วๆละออกจากสิ่งนั้นเสียให้เร็วๆก็จะค่อยๆเป็นธรรมขึ้นไปเรื่อยๆ S <S เราจะห้ามความพอใจความไม่พอใจความยินดีความยินร้ายโดยสกดไว้ตลอดเวลาทําไม่ได้เราจะทําได้โดยเพียงแต่ว่าขณะจิตที่คิดนิแวบขึ้นมาเป็นความพอใจความไม่พอใจในขณะปัจจุบันแต่และขณะปัจจุบันนั้นไม่ว่าจะพอใจหรือไม่พอใจในสิ่งใดๆในขณะปัจจุบันนั้นนนั้ให้รู้สึกตัวให้เร็วๆรู้สึกตัวให้เร็วๆแล้วพากใจออกมาจากสิ่งน้ำเตี๋ยทันทีกับความพอใจสอนความพอใจสอนความไม่พอใจ เสียในทันทีทันใดให้เร็วๆและออกมาจากสิ่งนั้นถ้าสิ่งนั้นยังสอนแล้วยังมีอิทธิพลต่อใจอยู่ไม่สามารถจะสอนความพอใจหรือความไม่พอใจหรือความยินดีความยินร้ายหรือความอยากความไม่อยากต่อสิ่งเหล่านั้นได้ก็ให้ลุกไปเสียลุกไปทำอะไรเสียลุกไปหัอย่างอื่นทําเสียเสียทันทีอย่ามัวนั่งแค่นอนแช่ต่ออารมณ์ต่อความรู้สึกเหล่านั้นเพราะอารมณ์และความรู้สึกเหล่านั้น มีอิทธิพลเหนือ จ, จิตต่อจิตใจมีอิทธิพล ต, ต่อจิตใจไม่สามารถที่จะดูรู้เห็นอยู่เปล่าๆได้ก็ให้ลุกไปทันทีลุกประจําอะไรลุกไปหาอะไรเดินกินลุกอะไรปลุกประจํากิจกรรมอะไรเสรยจทันทีแล้วก็ตั้งสติให้ดีๆพอรับรู้สิ่งใดมีความพอใจไม่พอใจกใ็รู้ตัวรู้ทันพุกให้เร็วๆขึ้นเร็วๆขึ้นต่อไปเพียงแค่รู้ทันความพอใจความไม่พอใจความยินดีความยินร้ายความอยากหรือความไม่อยากก็จะค่อยๆดับไป แล้วก็ด you know, like ับเร็วขึ้นดับเร็วขึ้นเพราะรู้ตัวเร็วเ้ื่ออํานาจรู้ตัวเร็วก็จะดับเร็วรู้ตัวเร็วว่ามีความพอใจมีความไม่พอใจมีความยินดีมีความยินรไลหรือมีความอยากไม่อยากเมื่อรู้ตัวเร็วก็จะดับได้เร็วรู้ตัวช้าก็จะดับช้าเพราะอารมณ์หรือความรู้สึกเหล่านั้นมีอิทธิพลต่อใจสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเสียงสีธรรมลมเหล่านั้นมีอิทธิพลต่อใจมากขึ้นแล้วเพราะเรารู้ตัวช้าเมื่อมีอิทธิพลต่อใจมากเราก็จะหลับสลับหลุดออกจากสิ่งนั้นได้ช้า แต่ถ้าเรารู้ตัวเร็วก็จะสลัดได้เร็ววิธีที่เราจะไม่ถูกลูกลดกลิ่นเสียงสัมผัสเสียสีธรรมลมลากไปได้เราต้องมีเครื่องล่อไว้ถ้าใจไม่มีเครื่องล่อจะถูกลูกลดกลิ่นเสียงสัมผัสเสียสีธรรมลมหรือจิตนั้นพรุงแต่งลากใจไปหาเรื่องหาราวหากิเลสตัณหาหาความทุกข์ใจหาความไม่สบายใจ ดังนั้นใจจึงต้องมีเครื่องล่อไว้เครื่องล่อใจพุทธเจ้าตัดไว้ถึงสี่สิบอย่างเป็นตัวอย่างไว้สี่สิบอย่างที่นิยมกันก็คือคําเจ่นคําบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโ ธ, ทธหรือรูล้ลมหายใจเข้ารู้ ล, ลมหายใจออกหรือจะใช้อย่างไรก็ได้แล้วแต่ว่าใครจะฝึกอย่างไรบ้างพุทธเจ้ายกตัวอย่าถึงสี่สิบอย่างพุทโธให้เร็วๆให้ใจนี้ยิงอาศาัยมีหลักใจซะก่อนคือคําบริกรรมพุทโธหรือรูล้ลมหายใจเข้าออก เม speed, ื่อเวลาเดินเท้าขวาเหยียบพื้นก็บริกรรมว่าพุทธเท้าซ้ายเหยียบพื้นก็บริกรรมว่าโทเท้าขวาเหยียบพื้นก็บริกรรมว่าพุทธเท้าซ้ายเหยียบพื้นก็บริกรรมว่าโทถ้ามีความฟุ้งซ่านมากมีความทุกมากมีความฟุ้งซ่านมากก็ให้วิ่งเลยวิ่งเร็วๆแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทธโธไปตามเท้าที่เหยียบพื้นเท้าขวาเหยียบพื้นพุทธเท้าซ้ายเหยียบพื้นโธเท้าขวาเหยียบพื้นพุทธเท้าซ้ายเหยียบพื้นโธวิ่งพุทธโธพุทธ เอาพุโทโธหรือ เ, อาเราลมหายใจก็ออกมาเป็นหลักใจก่อนเพื่อไม่ให้รูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสหรือจิตที่ปรุงแต่งนั้นลากใจไปหาเรื่องหาราวก่อทุกข์ก่อทุกข์โกรกเศร้าเสียใจขับแค้นใจไม่สบายใจก่อให้เกิดกิเลสตัณหาให้ใจมีหลักใจซะก่อนเปรียบเหมือนมีการชั ก, กะเยาะกันสองฝั่งจิตทิ่คิดๆๆนึกตรองปรุงแต่งและรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสที่กระพบในกระปัจจุบันานั้น อยู่อีกฝั่งหนึ่งของเส้นจักรเยอรส่วนใจก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งของเส้นจักระเยอร์ใจคือผู้รู้ผู้รู้คือใจที่รู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและรู้จิตที่แสดงปฏิญาหรือพฤติกรรมต่างๆนั้นใจก็อยู่ฝั่งจักระเยอรอีกฝั่งหนึง่งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและจิตที่แสดงอาการแสดงปฏิยาต่างๆในขณะปัจจุบนันทุกขณะปัจจุบนันนั้นก็จะคอยจักระเยอร ใจให้ข้ามเส้นไปไปอยู่ฝั่งของจิตคือไปฝั่งของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพื่อให้แพ้ไปให้ใจนั้นไปมีอารมณ์ร่วมกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือเป็นอารมลมร่วมกับที่จิตคิดได้จุดตอมปรุงแต่งไปเรียกว่าใจแพ้แต่ถ้าใจจะชนะได้เมื่อใจรู้ว่าใจแพ้อยู่บ่อยๆใจจะชนะได้ใจก็หาพวกมา เพราะว่าจ้ากระเยาะกับจิตที่ลายจ้ากระเยาะกับรูปรถกินเสียงสัมปัสที่ลายก็แพ้ทุกทีเมื่อแพ้ทุกทีใจก็หาเพื่อนมาหาเพื่อนมาช่วยหาเพื่อนมาช่วยคือพุทโธหรือลมหายใจเข้าออกหรือทาบริการมเงื่อนใดก็ได้ที่ต้านชื่นชอบอ้าเป็นเพื่อนของใจเอ้ามาช่วยใจเจ้ากะเยาะกับจิตจัากะเยาะกับรูปรถกินเสียงสัมผัสเจ้ากระเยาะเมื่อใจมีเพื่อนมีพวกมีพุทโธเป็นพวกมีพุทโธทำโมสังโฆเป็นพวก มีลมหายใจเข้าออกเป็นพวกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออโทหรือพุทโทเร็วๆพุทโทพุทธโทพุทธโทพุทโทก็เป็นพวกของใจหรือเป็นเพื่อนใจเมื่อใจมีเพื่อนใจก็จะชนะรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสชะนะจิตที่นึกคิดสุตตองปรุงแต่งเสียได้โดยรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสหรือจิตที่คิดนึกสุตตองปรุงแต่งให้มีอารมณ์นั้นค่อยๆหมดอิทธิพลต่อใจไปสีละเล็กสีละน้อย ค, ค่อยหมดอิทธิผลต่อใจไปเรื่อยๆเพราะใจมีพวกหรือใจมีเพื่อนคือพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธเราก็เอาพุโทโธมีควาบริการอื่นใดที่ท่านเชิญชอบหรือลงมาใจเขาออกเป็นเพื่อนใจไว้ใจจะไม่ได้ถูกรวมรดกินเสียงตำฝาบหรือความรู้สึกใน่ที่อารมณ์ต่างๆที่จิตตงแต่งขึ้นมาลากเราไปหาเรื่องหากิเลสตัณหาหาความทุกข์ยากลำบัดใจมีพวก ใจก็จะสงบด้วยตัวของเขาเองเพราะว่าคุณสมบัติของใจมีความสงบมีความสว่างมีความว่างเปล่าเมื่อ ใ, ใจไม่ติดสิ่งใดแล้วใจเขาก็จะถึงซึ่คุณสมบัติของใจเขาเองเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีความสงบมีความสว่า ง, งมีความว่างอยู่ตลอดเวลาตาบเท่าที่ใจนั้นไม่ไปติดอยู่กับสิ่งใดรู้อยู่เปล่าเปล่า นั่นแน่คือรว่วนเดียวกับพระพุทธเจ้ารว่วนเดียวกับพระธรรมร่วนเดียวกับพระยสงฆ์ให้ใจมีเพื่อนไวิจก่อนใจก็จะมีพวกมีพวกจั ก, เกรเยาะกับจิตหรือจั ก, เกรเยาะกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเศษสีที่มากระทบในขณะปัจจุบันนั้นใ น, ในใัครั้งใดเป็นการจักรเยาะใจแต่ละครั้งใจก็มีพวกอยู่ตลอดเวลาใจก็จะเป็นฝ่ายชนะเมื่อใดใจไม่มีพวกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือจิตที่นึกคิดผูกต้องปรุงแต่ง ตามไปตามความเคยตัวเคยใจอยู่ของเราอยู่แล้วตามกิเลสตัณหาตามป่าสวานุสัยความเคยตัวเคยใจเป็นกิเลสเครื่องนองกันดานก็<ๆ>จะมีกําลังลากเราไปได้ลากเราไปเขาก็จะมีทิพย์ผลต่อดใจไปเรื่อยๆแต่ถ้าใจมีมีเพื่อนใจคือผู้รู้ผู้รู้คือใจมีเพื่อนมีกรรมบริกรรมพทรุทโธมีลมใจเข้าออกมีกรรมบริกรรมอื่นใดที่กานชื่นชอบไว้เป็นพวกเป็นพวกหรือเป็นเพื่อนของใจ ใจก็มีกำลังเข้มแข็งไม่ถูกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผักหรือติดขึ้นเป็นความตึกนึกคิดปรุงแต่งมีกำลังลากเราไปข้ามเส้นไปได้สุดที่สุดใจก็เป็นฝ่ายชนะหรือเรียกว่าชนะจริงใดไม่เท่าชนะใจตนเองนั่นประเสริฐชนะใจหรือใจชนะนั่นเองเมื่อใจชนะได้เด็ดขาดจริงๆเขารู้ล้วว่า เขาชนะรูปลดกินเสียงสัมผัสชนะความรู้สึกไม่คิดอารมณ์ชนะจิต ท, ที่ปรุงแต่งได้ขาดกระเด็นแล้วเมื่อชนะใจรู้ตัวแล้วว่าชนะกาดกระเด็นใจเขาก็จะไม่ต้องอาศัยพวกไม่ต้องอาศัยเพื่อนอีกต่อไปเขาก็ปล่อยวางทำบริกรรมสุดโทรหรือกรรมบริกรรมอื่นใดลงเสียหรือปล่อยวางที่จะตามดูตามรู้ตามเห็นลมหายใจเขาออก ลงเพราะว่าใจเขาเป็นอิสระโดยแท้จริงเขาไม่เข้าไปจิตจริงใดต่อไปแล้วเินอิสระได้ตัวเขาเองเขาก็ไม่ต้องอาศัยพวกไม่ต้องอาศัยพเพื่อนเ้าก็ถึงซึ่งคุณสมบัติของใจที่เป็นความสงบความสว่างความว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตลอดการอย่าลืมไปไหนมาไหนเดินทางไปไหนมาไหนก็เอาน้ํามังคุดเดือมกินให้ใจมีเพื่อนใจมีพวกอยู่มีพุโทโธ ทำโมสังโครหรือพุโทโ็นเพื่อนเป็นพวกอยู่มีลมหายใจเข้าออกเป็นพวกหรือเป็นเพื่อนอยู่แล้วกันเกิดจะไม่ถูกรูปรือกิ่งเตียงสัมผัสหรือความรู้สึกหรืคิดอารมณ์ต่างๆไม่ว่าคิดไปถึงอดีตคิดไปถึงอนาคตคิดไปถึง ค, คนนั้นคิดไปถึงคนนี้มันก็จะลากรับไปหาเหตุลากรับไปหาเรื่องของเราลากหาไปหากิเลสตัณหาลากลไปหาความทุกข์ใจความไม่สบายใจหาความทุกข์ความเครียดเพราะฉะนั้นให้ใจมีเพื่อนไว้ ใจมีเพื่อนใจมีพวกไว้อยู่ตลอดเวลาเข้าห้องน้ําห้องวม้ดื่มกินเดินทางไปไหนมาไหนให้ใจมีเพื่อนใจมีพวกตลอดพุทธเจ้าถึงตัดว่าเพื่อนของใจยกให้สี่สิบอย่างเนี่ยเราเลือกเอาสักอย่างหนึ่งในสี่สิบอย่างนั้นคํานิยมก็นิยมพุทโธพุทโธนั้นครอบโลกครอบจักรวาลแล้วพราะพุทโธนั้นรวมหมดเลยพุทโธนั้นคือปนามของพ่อพุทธเจ้าพุทโธนั้นคือปนามของปทเจกพุทธเจ้าพุทโธนั้นคือประธรรม พุโทโธนั่นคือพระอาหารหันต์พุโทโธนั้นรวมหมดเลยในนั้นพุโทโธนั้นครอบโลกครอบจักรวาลแล้วมันพูดถึงท่านว่าเดินทางไปไหนมาไหนดื่มกินอย่าลืมพุโทโธอย่าใจขาดเลื่อนพุโทโธถ้าใจกับขาดเลื่อนพุโทโธเมื่อไหร่ใจก็จะเป็นทุกข์ใจก็จะเดือดร้อนเป็นไฟเป็นฟื น, เ ป, นเป็นไฟอน ใ, ใจน้เพื่อนเป็นพุโทโธไว้ก็จะมีแต่ความสงบความสว่าง มีแต่ความสงบความลมเย็ยนภายในใ จ, ใจิตใจแน่ให้ใจมีเพื่อนไว้พุโทโธเป็นเพื่อนใจที่ดีที่ประเสริฐที่สุดฝ้าหลานทั้งหลายมีพุโทโธเป็นเพื่อนจนได้บรรลุเทนิฐานไปพุโทโธเป็นเพื่อนใจที่ประเสริฐที่สุดคมีพุโทโธเป็นเพื่อนใจแล้วก็ให้ดูรู้เห็นจิตตึกนึกคิ ด, ค ด, คดบุงแตงนนกกิณกรรต่าง ที่แสดงปฏิกิยาต่างๆเหมือนแสดงหนังแสดงละครให้ดูใจซึ่งเป็นผู้รู้ผู้รู้ซึ่งเป็นใจก็สับตะบดูรู้เห็นจิตนั้นอยู่เปล่าๆสับตะดูรู้เห็นดยเฉยมาดูหนังดูละครอย่าเข้าไปร่วมเล่นอย่าเข้าไปวิาก์วิจารณ์มันเป็นผู้กำกับอย่าเข้าไปเป็นผู้แสดงตัวเองให้ทำหน้าที่เป็นเพียงผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นจิตที่แสดงที่มีหน้าที่คิดนึกติดต่อปรงแต่งไปตัวเราเองอย่าเข้าไปเป็นผู้แสดงตัวเองให้เป็นผู้ดูอย่าเข้าไปเป็นผู้แสดง คือเข้าเป็นผู้สแสดงคือเข้าเป็นผู้ตึกนึกคิดปรุงแต่งตัวเองอารมณ์ตัวเองร้องให้ดีใจเสียใจตัวเองไม่ได้เป็นผู้ดูผู้รู้จิตที่แสดงไม่ได้ห้ามไม่ให้จิตแสดงเพราะเขาไม่ได้บอกว่าไม่มีหนังให้ดูจิตนั้นจ ะ, สะแสดงปฏิกยกร่าต่างเหมือนหนังเหมือนละครให้ดูอยู่ตลอดเวลาแต่เราอย่าเป็นผู้สแสดงให้เป็นผู้ดูเป็นผู้รู้ผู้เห็น อยู่ตลอดเวลาอย่าเข้าไปเป็นผู้แสดงไปเป็นผู้แสดงคือไปเป็นผู้สึกผู้นึกผู้คิดผู้วิตกกังวลผู้เศร้ามองผู้มีอารมณ์เสเองนี่เรียกว่าเข้าไปเป็นผู้แสดงแต่ถ้าเราเป็นผู้ดูก็ดูผู้ที่มีอารมณ์ผู้ติดตึกผู้ดินนึกผู้ติดคิดผู้ติดตึกผู้ติดตอผู้มีอารมณ์ต่างๆผู้ติดฟองใส่ไม่ฟองใส่ผู้ติดเศ้ามองผู้ที่วิตกต่างๆก็ให้ดูอยู่อย่างนั้นเหมือนดูหนังดูละครอย่าเข้าไปเป็นผู้แสดงอย่าเข้าไปเป็นผู้รวมเล่นใครสงสัย มันจ ะ, จะแสดงวิธียามากมายหลายอย่างผ่านประการไม่เป็นไรครับมันแสดงอะไรแล้วก็เซติค์เป็นเป็นหนังเป็นละครให้เราดูรู้เห็นหมดครับเป็นจุดเล็กๆสว่างมากเพียงใดก็ตามเนี่ยเป็นหนังเป็นละครให้เราดูเราอย่าหลงตามไปครับเหมือนกับว่าเป็นแดนชักกะเยยออีกแดนหนึ่งเราเป็นผู้ดูผู้รู้ชักกเยยอยู่อีกแดนหนึ่งถ้าเราหลงก็เราข้ามฝั่งไปแดงเขาแตเขากินเลยน ะ, ะครับไม่เป็นไรครับก็คือว่าให้รู้ว่าอไม่ว่าจะตรวจ เกิดปฏิกิริยาอย่างไรเกิดแสงสว่างอย่างไรก็ตามนะครับก็คือเข้ามาตัวเป็นตัวที่ให้เป็นผู้ดูเปสิ่งที่ถูกดูถูกรู้ให้ถูกเห็นเหมือนอยู่เหมือนชักระเยาะอยู่อีกแดนหนึ่งเราจะเผล อ, อเผลอก็ไปเล่นกับสิ่งเหล่านั้นหรือเผลอก็ไปชอบปุบ๊บจะถูกเ้ากินทันทีเพราะว่าเหมือนกับข้ามแดนไปเหมือนกนารชักระเยาะถูกข้ามแดนไปเราต้องอยู่แดนของเราแล้วก็สัต ว, ว์ปรูหลุยนะอาจาใจไหมบางคนบางคนก็เบามากเขาก็มีอุตติยามคนก็เหมือนกับตัวหายเลย แขนขากว่าเลือนหายไปแล้วก็เหมือนก็ตัวหายไปพอพอเหมือนหัวจะหายตกใจลูกมาร้องใหญ่จ๊กมันจะตายเปล่าเนี่ยอะไรเะล่ไอ้ตัวนั้นน่ะมันจะว่าจะหายยังไงหายตัวได้ห่อเห่อในอากาได้ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็มันก็เป็นสิ่งที่ถูกดูถูกรู้อยู่อีกอีกแดนหนึ่งอยู่อีกฝั่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งเราเป็นผู้ดูผู้รู้อยู่ก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งก็คือเหมือนในชักกระเยาะกันเน่ยมีเส้นมีเส้นมีเส้นเขาเรียกอะไรเส้นแบ่งทางอ่ะเขาเรียกเส้นอะไรเส้นเส้นชักรเยาะเส้นแบ่งทางเขาเรีย เ, เส้นแบ่งเขตแดนน่ะเส้นแบ่งเขตแดนน่ะเราอยาข้ามเส้นแบ่งเขตแดนไปพอไปในปวิียาอะไรแล้วเข้าไปเออยาไปตกใจหรือไยุมม่งวุ่นวายอะไรเนี่ยมันก็พัากับว่าเราเผอข้ามเส้นแบ่งเขตแดนไปก็เดี๋ยวเขากินแหละก็เสร็จแล้วก็ตะหลังมาไม่อยากได้แบบนั้นอีกมันก็เลยยุ่งวุ่วายไปหมด <h> เราจะถ้าเราสัตว์ประดูสัตว์ประรุม่มเขาก็จะแดงมันก็ไปก็เราก็ดูรู้เห็นเราอย่าไปหลงตามไปนะอย่าดูรู้เห็นตามไปอย่างนั้น่ะปฏิบัติอย่างนั้นไม่มหลง แล้วไม่มีจะไม่มีอาการที่มาสัน่สนสันส่นๆมาตีลังกามามีอาการอย่างนู้นอย่างนี้ลุกขึ้นเต้นลั่มเต้นแล้วเต้นกางจะไม่มีถ้าเราอยู่อยู่ฝั่งแดนของเราอย่ข้ามอยข้ามฝั่งแดนไปถ้าข้ามฝั่งเข็ดแดนไปโด็กเขากินทุกทุกเที่ยวจะไปทว่าเฉยเลยมาดูวิถเฉยมาดูวิอย่างเงี้ยสัตวตะวดูสัตว์ะวดูไปไอสัตพราะว่าสัตวตะวัดูคือพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์มันเป็นทางเป็นทางปฏิบัติให้ถึงทันทีผ่านแล้วเราก็ต้องไม่ต้องเอาอะไรไม่ต้องสนใจอะไรสัตวดอออย่่่งงงเเเเีว๋มมมัันนถถึึืืไหก็้น ไมรู้คนนี้ผ่านเมื่อไหร่ก็เมื่อ น, นั้นขอให้สัตว์ประดูอย่างเดียวเพราะอย่าอย่าเผือข้างเขษแดนไปถ้าข้างเขษแดนไปเรวก็กินนะเน่ยเขกินนะบางคนไปปฏิบัติแล้วมาบอกว่ามาเที่ยวนี้ปฏิบัติไม่เห็นได้อะไรเลยเดี๋ยวเธอจะเอาอะไรสงสัยคือว่าปฏิบัติเที่ยวนี้เห็นได้อะไรเลยอาจารย์ก็จะเอาอะไรปฏิบัติจะเอาอะไรเอาอะไรเนี่ยโดนกินทุกทีอย่างจไหมถ้าเธอคิดจะเอาอะไรโดนกินหมดแหละเพราะว่าไอ้สิ่งที่เธอว่าจะได้อะไร บอกว่ามาเที่ยวนี้เหม็นได้อะไรเลยมาปฏิบัติเที่ยวนี้ไม่มันไม่มีปฏิกิริยาไม่มีปรากฏการณ์ไม่มีอะไรมันก็อยากจะเอาโน่นเอาหนี่เอาแสงสว่างเอาแสงเอาสีเอาผู้ปลุกปบปลากเอาอเหมือนเพื่อนก็ตัวเบาๆตัวอะไรมันมันทายตัวนั้นเรากินหมดอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็สิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดเลยมันอยู่มันอยู่อีกฝั่งเปียนแดนหนึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดเออก็เนี่ยก็รู้เนี่ยเราก็อยู่กับพุทโธไว้ให้มัน ไม่ต้องแก้อะไรก็ก็ให้ให้รู้อยู่กับบริการผู้ตัวให้มั่นแล้วจะเปิดตาเข้าไปให้รู้อยู่เฉยอ่าให้รู้ให้รู้แสงสีนั่นอยู่เฉยก็ก็ให้รู้อยู่เฉยรู้เฉยอดาอย่าไปตามหานะเดี๋ยวาไปตามหานั่นนี่ไว้ตามหานี่ไอ้โม่้จุดจุดจุดจุดก็ขาวอะไรนั่นอีกไปอยากให้มันสว่างขึ้นอีกนะอย่าไปตามหานะตามหาปุ๊บก็ข้ามแดนไปแล้วก็กินนะใครสงสัย มันมีปริยาเยอะบอกไม่หมดหรอฮะเพราะว่าบอกงี้แล้วคนก็ไปงี้บอกงี้ไปงี้มันหลงหลงที่บอกว่ามีพระองหนึ่งที่นั่งสมาธิอยู่เห็นพระเจ้ามาขวับมือเรียกลูกออกอดจิตสมาธิวิ่งตามไปตบมือเลยเนี่ยเร้่อันตรายเห็นอะไรอย่าอย่าข้ามแดนไปหลอกทั้งหมดอ่ะมันหลอกไม่ใช่ทางนั้ น, นของหลอกก็ได้เขาไม่รู้อะไรติดติ่งนับหลอกหมดมันไม่ใช่ทางนั้นแหละอย่าข้ามไป ทางเดินของผู้เจ้าก็ทางผลานรู้สิ่งใดแล้วละเสียอย่าข้ามเขตแดนข้ามเขตแดนไปเสร็จหมดแหละลูบรถกินเสีงยงก็ผ่าเจ็บตีความารู้สึกเมื่อพิรลมเกิดขึ้นรู้ตัดแต่รู้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นนิจจังก็ดับเกิดแล้วดับตัเองเกิดแล้วดับตัวเองไม่มีอะไรจิตมั่นถือมั่นได้จิตก็จะปล่อยวางเองหยุดดิ้นหลนค้นหานั่นแหละจึงจะถึงธรรมถ้ายังไม่หยุดดิ้นหลนค้นหาก็ยังไม่ถึงธรรมทำทั้งหลายย่าไม่ไดิด้นหล่นในค้นหาไปหยุดดิ้นหล่นเมื่อไหร่ก็จะพบธรรม และทุกอย่างมันก็จะวางลงหมดเส้นเพื่อใจความสงบความว่างความเป็นปกติอยู่อย่างนั้นนี่แหละก็จะพบธรรมเองขอให้ท่านตั้งใจทําจริ ง, งผมพูดทาว่าทําจริงไหมล่ะทําจริงไหมล่ะถ้าทําจริงยอมได้ของจริงเพราะพุทธเจ้าไม่แต่ดับการไปแล้วแต่ผู้ใดพบธรรมผู้นั้นพบเราสถาคต พระพุทธเจ้ารอให้รองวันท่านอยู่ตลอดเวลารอบตัวท่านเองพระพุทธพระธรรมพระอรหันตทั้งหลายแม้แต่ดับขันวิผลไปแล้วไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ว่างเปล่าแต่เป็นธรรมชาติรอบตัวท่านเองที่ได้มีความว่างที่นั่นมีธาตุรู้ของพระพุทธเจ้ามีธาตุรู้ของพระธรรมมีธาตุรู้ของพระอรหันทั้งหมดที่เชนญสินไปแล้วอยู่รอบตัวท่านน่เองเมื่อไหลใจของท่านรู้อยู่พอบเปล่าเข้าถึงการรู้ที่บ่อยสุดแล้วในกับไปจิตสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมด ท่านก็จะเป็นธาตรุวนเดียวกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอรนต์ทั้งหมดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราสถาคเพราะพระพุทธเจ้ารอให้รางวัลทุกท่านอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ว่างเว็นเลยรอให้รางวัลแก่ผู้ที่มีความเพียรมีความหมดโทนกั้นเป็นคนที่เอาจริงมีสัจจะมีความตั้งใจจริงมีความเพียรมีความหดโทนกา้นข่มใจนะครับจับจางจางใจมีฮีรีเอลตระปะมีความปลายแก่ใจกกเก่งกตบัดเป็นผู้ที่มีความ อดทนอดกั้นไม่ตามใจตนเองเป็นผู้ทีจะน่าใจตนเองได้ในที่สุดนั่นแหละพระพุทธเจ้าให้รางวัลทุกคนรอให้รางวัลทุกคนไม่ได้เว้นเลยพูทธาว่าพวกเราทั้งหลายไม่เมตต า, พ, าพระพุทธเจ้าเลยเพราะพุทธเจ้าเมตตาทุกคนอยู่ตลอดเวลาแต่ท่อบมือกั้งเดียวตลอดเวลาพวกเราทั้งหลายไม่เคยเมตตาท่านเลยเพราะเราทั้งหลายไม่เคยระลึกถึงท่านไม่เคยเมตตาท่าน ปล่อยให้ท่านตบมือข้างเดียวเราไม่เคยเมตตาตอบเลยไม่เคยมีสัจจะความตั้งใจจริงมีความเพียรมีความอดทนอดกลั้นที่จะเปลี่ยนปฏิบัติไปรู้แล้วละไปรู้แล้วละรู้แล้วละไปให้หมดสิน้นที่สุดกพ่อจะเข้าถึงธรรมนั่นเองก็จะบรรลุธรรมผู้ใดพบธรรมผู้นั้นก็จะพบหล่าสถาพณตธรรมนั้นเป็นปัจจิตตังรู้แล้วถึงนะไม่ต้องไปถามใครเข้าใจได้ตบเอง